ก็คงต้องรับเต็มตัวว่ารางเธอเต็มเป่าต้องยกหัวใจเราให้เธอไปทั้งใจเธอคนอย่างนี้ลองปล่อยไปสิจะไปหรือไง พอมันใจอย่างที่ฉันคบกับเธอนั่นเข้าที่ยิ่งคบก็ยิ่งดียิ่งเข้าใจเจะกี่คำถามคำตอบสุดท้ายก็คือเธอคงคงต้องรับเต็มตั ว, วรักเธอเต็มเป่าคงยกหัวใจ